ส่วนบุคคลใดยึดถือรูปนะขออภยัยยึดถือตนว่ามีรูปยึดถือรูปในตนยึดถือตนในรูปพวกนี้3ามสามนใช่ไหมพวกยึดถือตนมีเวทนาเวทนาในตนตนในเวทนาอันนี้อีกสมเป็นหยึดถือตนนี่มีสัญญาตนนี่อยู่ในสัญญาสัญญาอยู่ในตนอีกสมก็เป็น9พวกยึดถือว่าตนนี่มีสังขาร สังขารในตนตนในสังขารเป็นอีกอีกสมเป็น12พวกที่ยึดถือวิญญาณตนนี่มีวิญญาณวิญญาณในตนหรือว่าตนในวิญญาณอีกอีกสามก็เป็น15ทั้ง15บ้าบุคคลเหล่านี้เรีเรยกว่าสตาวาทีสตาวาทีก็คือพวก ส, สตภาพพวกนี้ถือว่าเที่ยงเพราะฉะนั้นรูปจะสลายฉันก็ยังไปต่อพวกนี้บอกเวทนาจะสลายฉันก็ยังไปต่อพวกนี้สัญญา จะสลายฉันก็ยังไปต่อสังขารมันจะสลายฉันก็ยังไปต่อวิญญาณมันจะสลายฉันก็ยังไปต่อได้เพราะพวกนี้ยึดถือว่ายึดถือว่าอะไรยึดถือว่านอกจากหมายความว่าพวกที่ไม่ถือว่ารูปแต่ว่าอื่นจากรูปอะเป็นอัตตาพวกนี้นะสรุปว่าบุคคลทั้งหมดเนี่ยนะเมื่อย่อนย่ อ, อลงมาก็คือพวกอุดเฉทวหัดกับ ส, สตวาททวาธอุเฉทวาทะกับ ส, สตาวาทะนี้ก็เป็นที่สุดทั้งสองฝ่ายที่สุดทั้งสองฝ่ายทั้งสองเนียเป็นความอะไรนะสังสารประวัติเป็นความเป็นไปในสงสารชีวิตของของผู้ที่เป็นไปในวัฏฏะเนี่ยนะถ้าเรามาสืบสืบตัวความรู้สึกนึกคิดของเขาแล้วโดยเฉพาะความเห็นของเขาเนี่ยสลับคละเคล้ากันไปบางขณะก็เป็น ส, สตติฐิบางขณะก็เป็น อุเฉททิธิบางขณะนี้เรารู้ได้ยังไงว่าเป็นศัตตรารู้ได้ยังไงคือคือเอ า, เอ า, เอาชีวิตวะทิ้งคําสอนให้หมดเลยหมายความว่าไม่ชีวิตจิตใจขณะที่ไม่มีคําสอนเนี่ยนะคิดคิดไปเออเดี๋ยวเราก็ตายแล้วพวกนี้นะอุเฉทถ้าเจริญความคิดนั้นไปเพิ่มเพิเพเ่เรื่อยๆนะมันจะเป็นอุเฉทถ้าเลื่อนเดินตามความคิดตัวนั้นนะไม่นานจะเป็นอุเฉททิธิ เอกพวกนั้นก็คิดลอยไปเรื่อยเออเราไปเกิดที่ไหนนะชาติหน้าเกิดเป็นอะไรนะจะไปอยู่ที่ไหนนะคิดไปเรื่อยเนะี่ยพวกนี้ถ้าคิดตามไปอีกระยะหนึ่งจะเป็นสัสตตทิฏฐิเนี่ยนะก็คือพื้นฐานพวกนี้จะไม่มีการแยกแยะอะไรทั้งนั้นก็ถือว่าอะไรนะพรวดขึ้นมาก็ตายเลยพรวดขึ้นมาก็เกิดเลยพวกนี้เป็นลักษณะของพวกไม่สัสตตทิฏฐิก็อุเฉททิฏฐิเพราะนั้น พวกใดที่คิดว่าเดี๋ยวเราก็ตายแล้วตายแล้วก็จบเลยเพราะพวกนี้ก็จะมาคิดอีกอย่างหนึ่งอยู่บนพื้นฐานของข้อปฏิบัติของพวกอุจเฉททิฐิพวกที่ถือว่าตายแล้วเกิดอีกนะเดี๋ยวเราก็ไปเกิดณที่นั้นนั้นพวกนี้ก็จะไปคิดไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าความคิดมันแด้แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยพวกมิจฉาทิถิเนี่ยอย่าไปอะไรว่ายืนยันอย่าไปยืนยันเขาเขาไม่ยืนยันอะไรหรอกพวกนี้เขาเรียกว่าอมราวิเขปะเนี่ยนะพวกนี้ดิ้นไม่ตายตัวหรอกไม่ค่อยแน่นอน มันแล้วแต่ว่ามันแวบขึ้นมาบางแวบขึ้นมาก็เป็น ส, สัตตะบางแวบขึ้นมาก็เป็นอุเชติภิพอนึกถึงคําสอนไอ้คอยอย่างชั่วพอมีคําสอนอยู่ในใจบ้างก็พอที่จะมาแก้ไอ้ความคิดอ น, นั้นได้ถ้าพวกไม่มีคําสอนพวันี้ปล่อยให้คิดแล้วยห่าความคิดเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งอุเชติภิษ ส, สัตตะทิฏฐิอยู่บนพื้นฐานของอโยนิโสมนัสิการอโยนิโสมนสิการนี้เป็นเหตุใกล้ ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพวกสตะทิฏฐิเนี่ยโดยมากมาจากตันหาจริตพวกอุเฉททิฐิโดยมากมาจากทิฐิจริตพันทิฐิจริตเป็นเหตุให้เกิดอุเฉททิฐิตันหาจริตเป็นเหตุให้เกิดสตะทิฐิพันธพื้นฐานของทิฐิเนี่ยนะสตตทิฐิกับอุเฉททิฏฐิสลับคระเคล้ากันไปอันนี้คือสาเหตุของวัตฏะเพราะมิจฉาทิฏฐิทั้งสตตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิพวกนี้เป็นเหตุให้เกิด มิจฉาสังกัปปะพอมิจฉาสังกัปปะตามมาแล้วตามด้วยอะไรมิจฉาวาชามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาวิมุติมิจฉายานะมิจฉายานะมันทำอะไรมันรู้วิธีทำบาปไม่รู้วิธีทำบุญรู้แต่วิธีทำบาปว่าจะทำบาปยังไงได้เยอะๆนั้นความเป็นไปในวัฏฏาก็เป็นไปอย่างนี้ไหลไปเรื่อยเนี่ยนะสังสารจักก็หมุนไปโดยที่ไม่มี มีจบมีสิ้นสังสารวัตก็มุนไปอย่างนี้อริยมรตมีองค์แปดที่เป็นมัชชีมาปฏิปทาเป็นปฏิบัติต่อที่สุดสองฝ่ายนี้เป็นการหยุดสังสารวัตรเป็นการหยุดสังสารวัตเนี่ยนะหยุดความคิดอนันตสตีแบบนั้นเถอะหยุดไอ้ความเพียนเพียนวิปลาสความคิดอนันตสตีกำจัดไอ้ความคิดนั้นสตีอริยมรตอันประกอบด้วยองค์8ดเป็นตัวตัดขาดตัวความคิดที่เลวร้าย เพราะว่าไออมิดชาทิธิพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะเป็นโรคเป็นเชื้อโรคที่รุนแรงมากนะเป็นโรคระบาด ท, ที่มันมันลาวและพวกนี้เป็นแล้วมันหายากมมิรชา ท, ที่ทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนฝีที่มันเจ็บปวดมากเนะนะแล้วก็เป็นลูกศรที่มันทิ่มแทงอยู่นั่นแหละฟันอรยมักมีองแปดนี่แหละเป็นยาที่กำจัดโรคเป็นยาพอกฝีแล้วก็เป็นยาถอนลูกศร นี่แหละเป็นการหยุดสงสารเนี่ยนะหยุดความทุกข์สักทีหนึ่งดับความทุกข์บรรดาการไปและการหยุดสงสารไปในวัะกับหยุดวัตะเนี่ยนะการเป็นไปในสังสารวัฏการเป็นไปการไหลไปสืบเนื่องไปแห่งขันอายตนะถ้าเป็นทุกขสัจจะชื่อว่าทุกขสัจจะมันที่เรานั่งๆกันอยู่เนี่ยนะขณะที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นอะไรสัจจะ ทุกขสัจจะยืนเดินนั่งนอนความรู้สึกนึกคิดทวนรทั้ง6กนี่เป็นทุกขสัจจะเพราะนี่คือการเป็นภายในวัตตะนีทุกขสัจจะอันนี้เป็นปะอะไรธรรมะอภินญยธรม ร, ญญธรมปริญยยธรรมมหาตปธรรมสัจิกาตาประธรรมหรือภาเวตประธรรมบอกว่าไม่รู้ว่าวิจัยให้เห็นสัจจะให้ได้อะต้องวิจัยให้เห็นสัจจะสี่ให้ได้ถ้าไม่เห็นสัจจะสี่ก็ไม่ใช่สาวกพระพุทธเจ้าะนะนีะสาวกของใครอ่ะ สาวกของกิเลสมารเอาแล้วแต่ราคะมันสอนก็เชื่อราคะไปอ่ะนี่นก็สาวกของราคะบ้างบางพวกก็บอกสาวกของโทสะบางพวกก็สาวกของโมหะสาวกของราคะโทสะและโมหะทํากายกรรมวจีกรรมโมนโนกรรมสุดแท้แต่ว่าราคะโทสะโมหะมันจะเสี่ยมสอนไงเอางี้สิเอางี้โอ้ยเต้นแรงเต้นกลาวตามมันหมดอนะ่ะก็ลองโกรธ ด, ดูสิอ่ะนะโอ้ยมันบอกความโกรธมันสอนบอกทำอย่างงี้สิโอ้ยเอาใหญ่เลย บอกความโลภบอกความโลภมันสั่งว่าทาอย่างนี้นะมโอ้ยทำตามหมดเลยความรุ่มหลงบอกทําอย่างนี้ดีกว่าบอกทําตามหมดเลยเมื่อนี้ก็สาวกของราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะพวกนี้ศาสดานี้เนี่ยสอนให้เราถึงความสุขไหมศาสดาคือราคะโทสะและโมหะทุกอย่างเดียวเพราะเจ้าของศาสดาที่สอนราคะโทสะโมหะนั้นจึงจึงประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ต่อไปว่าการเป็นสรุปว่าการเป็นไปแห่งสังสารวัตรลำดับความหมุนเวียนเปลี่ยนไปแห่งขันธาตุยตนะสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เป็นทุกขสัจจะตัณหาอันเกี่ยวคล้องนามกายและรูปกายเหล่านั้นให้เชื่อมโยงต่อกันไม่ให้มันขาดสายโอ้ยทั้งเรียก อ, อะไรนะสายสัมพันธ์พวกนี้ร้อยไว้อย่างดีเยี่ยมไม่ให้ ไม่ให้ขาดเนี่ยนะไม่ให้ขาดเช่นเอาตามาเชื่อมตาเอาหูเชื่อมหูจมูกเชื่อมจมูกลิ้นเชื่อมลิ้นกายเชื่อมกายใจเชื่อมใจกรรมมาพบเชื่อมพบเชื่อมพบจุติเชื่อมปฏิสนธิปฏิสนธิเชื่อมเอาไว้กับจุติจากกรรมเชื่อมให้มีวิบากต่อไปไอตัวที่เชื่อมเชื่อเชื่อมไว้อย่างนี้ตลอดเรียกว่าเป็นสมุทยสัจจะเป็นสายโซ่ที่เชื่อมโยงเอาไว้ในวัตต์ การตัดสายโซ่อันนั้นเหล่านั้นได้ตัดสายสัมพันธ์สืบเนื่องที่ดับแห่งตันหานั่นแหละเป็นนิโรสัจจะเป็นที่ดับทุกอริยมรตมีองค์แปดเป็นมัคสัจจะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกเหล่านี้เป็นสัจจะสี่ประการทุกสัจจะควรกําหนดรู้สมุทยสัจจะควรละมัคสัจจะควรเจริญนิโรสัจจะควรทําให้ประจักแจ้งหรือแจ้งประจับเนี่ยนะ ก็สังเกตดูนะจะขึ้นต้นด้วยศาสตะทิฏฐิขึ้นต้นด้วยอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิก็ตามท่านจะแสดงสิ่งที่ตรงกันข้ามนะท่านจะมีการพลิกอยู่ตลอดเวลาในชะ่ไหมว่าพลิกอะไรจากมิจฉาทิฏฐิก็พลิกมาเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นความเลวร้ายอย่างไรสัมมาทิฏฐิดีอย่างไรเพราะนนั้การแสดงธรรมเนี่ยนะก็แสดงโทษของอกุศลแล้วประกาศคุณของ กุศลนั้นการศึกษาธรรมะในถ้าเราจับใจความดีๆนะจะพูดอะไรมากมายขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าจับอยู่บนหลักการว่าคําสอนพระพุทธเจ้าสอนเพื่อละกุศลสอนเพื่อเจริญกุศล น, น, นะถ้าหรือสอนเพื่อให้รู้อริยสัจเนี่ยนะถ้าเราจับธรรมะไว้กว้างๆระดับหนึ่งการฟังทำจะไม่ยากเกินไปไอ้ที่มันยากคือมันตั้งกติกาไว้ว่ายากเว้ยเอ่ ย, อยชื่อเอ่ยยี่ห้อมาก็ยากแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้แหละก็เลยเล ย, ยาก จริงๆเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยนะถ้าตั้งจิตเอาไว้ให้ถูกต้องตั้งจิตเอาไว้ให้ตรงจะเข้าใจได้ไ ม, ไม่ไม่ยากถ้าทำเนี่ยจริงๆอะ่ะที่ยากเพราะมันมันขวางใจตัวเองไว้แล้วแล้วก็โดยรวมๆเนี่ยนะคิดฝืนคำสอนอยู่ตลอดเวลาก็เลยยากเนี่ยนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยคิดตามคำสอนถ้าบุคคลที่พยายามจะโอนไปตามคำสอนคำสอนท่านเนะอะไรแล้วขอคิดตามท่านอ่ะนะ ท่านว่านกก็ว่านกตามท่านเถอะท่านว่าไม้ก็ไม้ตามท่านพักเดียวจะเริ่มเข้าค่อยๆเข้าใจแต่ถ้าเราฝืนท่านอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างเงี้ยยากโอนตามท่านไประยะหนึ่งไม่งั้นเราก็นับถือท่านเป็นสารณะทำไมเนี่ยนะทำมังสารนางคัดฉามิเนี่ยนะแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเมื่อฟังจนสมเหตุสมผลเข้าใจที่ท่านชี้ทุกประการเนี่ยนะนึกอะไรก็เข้าใจอย่างที่ท่านว่าทะลุปรุโปร่งหมดเลยแล้วกิเลสเท่าเดิมเออทางนี้ค่อยว่าอีกทีเนี่ยนะ ว่างไงว่างไงก็ว่ากันไปสรุปคำที่กล่าวข้างต้นมีอะไรบ้างอุดเฉทวัฒกับ ส, สัตวาฒอุดเฉททิฏกับ ส, สตัตทิฏโดยโย่อก็คือสากายทิฏมีวัตถุ20สนะสกายทิฏมีวัตถุ20 2สก็แบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นอุดเฉทธสสทิฏห้สัตทิฏสิ15โดยพิสดารเนี่ยนะ ไอ้ตัวทิธฐิเหล่านี้กระจายออกไปแล้วเป็นทิธฐิ62ที่เรียกว่าทิธฐิหกก็แบ่งเป็นทิฐิในอดีตปุพันตะกับปิกะทิธฐิอีก18ที่เหลือก็เป็นอปรันตะกุปกะกับปิกะทิฐิกัปกะทิฐิเนี่ยนะทิฐิที่กล่าวถึงอนาคตอีกส4่สิบสยอะไรนะส4บวกก็เท่ากับ หกก็คือสรุปว่าทิฐิเป็นที่เป็นอดีตกับเป็นอนาคตแต่ว่าพื้นฐานของความคิดเหล่านี้ก็เกิดจากสกายะทิฐิพลิกกลับมาตรงกันข้ามแหะนะก็คือพูดขาวให้เห็นดําพูดดาเพื่อให้เห็นขาวเนี่ยนะก็มาดูว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามต่อมิจฉาทิฐิเหล่านั้นคือโพธิปัจจยธรรม43สามาอย่างไรเคยได้ยินแต่37ใช่ไหม ก็สามแล้วล่ะไซสติประธาน4สีสมมาประธานสี่ที่บาทสีอินทรี่ห้พล้าหโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเป็น37บวกสัญญาภาวนาอีก6ข้ออานิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาวิราคะสัญญาปะหานะสัญญาและอะไรอีกสัญญานึ่งอะอรณะวิราคะสัญญานิโรธสัญญาอะไรพวกนี้สัญญา6ประการพวกเหล่านี้นี่แหละเป็น โพธิปักจยธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตัดสรุวิโมก8อารมณ์ของกสินอีกส0บพวกนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพิมิทชาทิฐิ62สิองทิฏฐิ 62, ย่อลงมาก็เหลืออวิชากับตันหาย่อลงมานะถอยลงมาก็คืออวิชากับตันหาเพราะอาวิชาเนี่ ขยายไปเป็นทิฏฐิจริตตันหากลายเป็นตันหาจริตตันห า, เ, าเป็น ส, สตทิฏฐิ15วิชาเป็นอุชเชธทิฏฐิหสรุปว่าย่อลงมาก็เหลืออวิชากับตันหาสิ่งเหล่านี้ที่ไหลสืบเนื่องไปเป็นไปในกาละอันไม่มีเบื้องต้นและไม่มีขอบเขตถ้ายังปล่อยยังเจริญอยู่อย่างนี้สายพันเหล่านี้ไม่มีตัดขาด มีแต่ยาวอย่างเดียวเป็นไปเรื่อยไปอย่างไม่มีที่สิ้นไปอย่างไม่มีที่สุดเนี่ยนะโพธิปัคิยธรรม43เป็นยานที่เปรียบประดุดวชัชราวุธอาวุธประดุดเพชรที่ทำลายอาวิชชาแลตันหาโมหะชื่อว่าอาวิชชาชาละชื่อว่าตันหาโมหะก็คือความเขลาเป็นอวิชชาชาละก็คืออะไร ตะข่ายตะข่ายคือภวะตันหาเพราะฉะนั้นขอบเขตเบื้องต้นแห่งอวิชชาและภาวะตันหาไม่ปรากฏเต็มไปด้วยความลุ่มหลงถูกตะข่ายคือตันหาเนี่ครอบงำท่วมทับเอาไว้อยู่อย่างนี้ทีนี้ตรงกันข้ามถ้าบุคคลเหล่านี้เกิดทันสมัยที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลผู้เป็นตันหาจริตกับทิฏฐิจริญเนี่ยนะบุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริต บวชในศาสนานี้เป็นผู้มีความประพฤติในการขัดเกลากิเลสอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีความเคารพในการขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งพวกนี้คือใครบ้างเช่นสมัยพุทธกาลก็มีกลุ่มปัญจวัคคีย์ทั้งห้ากลุ่มเชเดินสามพี่น้องเนี่ยนะกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มทิฏฐิจริตมาก่อนพวกนี้กลุ่มทิฏฐิจริญพันพวกนี้บวชเข้ามาแล้วปฏิบัติขัดเกลาปฏิบัติ ความเคารพในการขัดเกลามาวกวันนี้ปฏิบัติในที่สุดก็บรรลุส่วนบุคคลผู้เป็นตันหาจริตพวกนี้บวชในศาสนานี้เช่นใครบ้างพยาะเป็นต้นนะพวกนี้เหล่านี้บวชในศาสนานี้ก็เป็นผู้มีความประพฤติในศิกขาอย่างต่อเนื่องเป็นผู้มีความเคารพในศิกขาอย่างยิ่งบุคคลผู้เป็นทิฏฐจริตเมื่ออย่งลงสู่สัมมัตตนิยามความถูกต้องแห่งกุศลธรรมคืออริยมรรค จัดเป็นธรรมานุสารีธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญาที่เรียกว่าดำเนินไปตามปัญญาก็เรียกว่าแทงตลอดสัจจะด้วยอำนาจของปัญญาเรียกว่าปัญญาเป็นหัวหน้าในการบรรลุส่วนบุคคลผู้เป็นตันหาจริตเมื่ออย่างลงสู่สัมส ม, มัตตนิยามคือการบรรลุอริยมรรคพวกนี้เป็นศรัทธานุสารีพวกนี้ดาเนินไปตามศรัทธาพวกนี้บรรลุด้วยศรัทธาเป็นหลัก คือพวกที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่บรรลุโดยปัญญานําหน้ากับผู้ที่บรรลุโดยศรัทธานําหน้าบางคนบอกโอ้ยศรัทธาบรรลุไม่ได้เรกบอกบรรลุได้นี่ไงเป็นศรัทธานุสารีแต่ว่าอริยมรตมีองค์8ต้องประชุมกันเพราะการประชุมแห่งอริยมรตมีองค์8ดนั่นแหละการตรัสรู้จึงมีขึ้นบุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริตทิฏฐิจริตนะทิฏฐิจริตที่เป็นธรรมานุสารีเนี่ย ออกจากวัฏตทุกโดยสุขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาพวกนี้ปฏิบัติสบายเพราะบาปอากุศลไม่กลุ่มรุมบางพวกก็รู้เร็วบางพวกก็รู้ช้าคือบางพวกก็ทันทาพินญาบางพวกก็ขิดตาพินญาแต่สรุปว่าพวกทิฏฐิจริตนั้นเป็นสุขาปฏิปทาพวกนี้สบายอกกิเลสไม่ค่อยเล่นงานเท่าไหร่เพราะพวกนี้ไม่ค่อยผูกพันในวัฏตะอยู่แล้ว พวกนี้ไม่ติดในวัตตะเนั้นชีวิตจึงอยู่ด้วยความสบายน่นะครับแต่ว่าในที่สุดปฏิบัติอย่างลงสู่อริยมรรคมีองค์แปดก็มีการตรัสรู้ได้บุคคลผู้เป็นตันหาจริตพวกนี้ย่อมออกจากวัตตะด้วยทุกขาปฏิปทากำลังปฏิบัติกลุ่มเหล่านี้ค่อนข้างเดือดร้อนเพราะว่าอะไรนะมันเต็มไปด้วยความต้องการอะนะฉะนั้นมาปฏิบัติขัดเกลาต่อตันหาเนี่ยพวกนี้ก็เลยเป็นทุกปฏิบัติด้วยน้ากานองหน้า นะก็อย่างที่เล่าว่าโอ้พระบางรูปเนี่ยนะเวลาบวชเข้ามาแล้วอกุศลของท่านมันกลุ่มรุ ม, ลมเล่นงานบางครั้งก็ร่วงอาบาัดแล้วก็ร้องให้กะโทษแก้ปัญหาได้ก็บวัวต่อไปก็ทุกพวกนี้บวชคร่าคราด้วยน้ําตาบางพวกก็ตรัสรู้เร็วบางพวกก็ตรัสรู้ช้าทิฏฐิจริญสุขาปฏิปทาตันหาจริญทุกขาปฏิปทาก็สุดแท้แต่ว่าพวกทุกขาปฏิปทาก็พวกนี้อยู่บนพื้นฐานความต้องการ นะเช่นว่าพวกตันหาจริตเนี่ยมันหิวมากตอนเย็นๆเนี่ยทำไงใช่ไหมหิวมันอยากกินมันมันตันหามันเคยกินอะไรได้อย่างชอบใจพวกนี้ก็เลยลําบากมากเนี่ยนะก็เลยว่าโอ้ยบวชมาแล้วนี่อยากอยากได้เย็นมันก็ได้ร้อนอยากได้ร้อนมันก็อยากได้มันก็ได้เย็นเนี่ยนะพวกนี้ก็เลยบอกพวกนี้ก็อุ้ยถือว่าการบวชเป็นของทุกข์มากแต่สรุปว่าพวกตันหาจริตนี่เป็นทุกข์ขาปฏิปทา ในการที่บุคคลผู้เป็นตันหาจริตออกจากวัฏะด้วยทุกขาปฏิปทาทั้งโดยรู้ชา้าโดยรู้เร็วเนี่ยเพราะมีอะไรเป็นเหตุคําถามอะไรเป็นสาเหตุให้เขาปฏิบัติเป็นทุกขาปฏิปทาละ่ะก็เพราะว่าบุคคลผู้เป็นตันหาจริตนั้นยังละกามทั้งหลายไม่ได้ก็รู้อยู่แล้วว่ากามทั้งหลายหน้าปรารถน า, น า, าหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเนื่องจากตัวเองยังตัดใจในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ บุคคลผู้เป็นตันหาจริตนั้นเมื่อจะออกจากกามทั้งหลายที่ตัวเองยึดถือย่อมสลัดออกได้โดยายากยากก็ไม่ว่ารู้ก็ช้าช้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าฟังทำชั่วโมงหนึ่งมันคิดถึงธรรมะไม่กี่นาทีที่เหลือคิดถึงวัตถุ ก, กามหมดเลยอย่างเงี้ยมันจะเร็วได้ยังไงใช่ไหมเพราะว่าใจอยู่กับธรรมะนิดเดียวนะอยู่กับบาปอกุศลตั้งมากมายอย่างที่เขาเล่าให้ฟังบางคนอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะมันอยู่ะนะ อานหนึ่งชั่วโมงจริงแต่ว่าคิดธรรมะไม่กี่นาทีหรอกไอ้ที่เหลือนี่คิดถึงเรื่องอื่นหมดเลยที่ไม่ใช่ธรรมะพวกนี้จะไม่รู้จะรู้เร็วได้ยังไงใช่เพราะนิการ ม, มาฉันท่านิวรเอาไปหมดแล้วเนี่ยนะมียใจเป็นของนิวรหมดส่วนบุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริตเป็นผู้ที่ไม่มีความต้องการด้วยการทั้งหลายมาตั้งแต่ต้นจใจจริงก็ไม่อยากได้อยู่แล้วละพวกนี้นะไม่เอาอยู่แล้วอะ เพราะฉะนั้นเมื่อเขาออกจากกามเหล่านั้นก็ย่อมออกได้โดยฉับพลันการรู้ธรรมะของเขาก็เร็วเพราะฉะนั้นทุกขาปฏิปทาก็มีอยู่สองอย่างคือรู้ช้ากับรู้เร็วพวกทุกขาปฏิปทามาจากไหนมาจากพวกตันหาจริตแม้สุขาปฏิปทาก็มีอยู่สองอย่างคือรู้เร็วกับรู้ชา้าสุขาปฏิปทาก็มาจากอะไรจริทิฏฐิจริต สัตว์ทั้งหลายมีอยู่สองประเภทคือพวกมีอินทรีย์อ่อนกับมีอินทรีย์แก่กล้า น, นะพวกที่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอ่อนพวกนี้ก็สลัดออกช้าคือบรรลุช้ารู้ช้าเนี่ยนะพวกที่มีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแก่กล้าย่อมสลัดออกได้เร็วและรู้เร็ว บรรลุชา้าบรรลุเร็วขวัตที่ศรัท ธ, ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาโดยเฉพาะถ้าปัญญาแก่กล้าก็รู้เร็วถ้าปัญญาอ่อนเป็นต้นก็รู้ชา้าสรุปว่าปฏิปทาจึงมีสีแท้ที่จริงแล้วบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งออกแล้วหรือกำลังออกหรือจกออกคือผราอริยะในอดีตที่ออกจากวัตตะ พระอริยะที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ออกจากวตาพระอริยะที่จะมีต่อไปในอนาคตที่ออกจากวัตะบุคคลเหล่านั้นก็ออกด้วยข้อปฏิบัติ4ประการนี้แหละคืออนะย่อมาก่อนเบื้องต้นก็คือสุขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาอะนะก็คือธรรมะเพราะอะไรเพราะจริตเป็นตัวบอกว่าตันหาจริตเป็นทุกขาปฏิปทาทิฏฐิจริตเป็นสุขาปฏิปทา ถ้าอินทรีย์อ่อนตรัสรู้ช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าตรัสรู้เร็วมันทุกขาปฏิปาทาถ้าอินทรีย์อ่อนตรัสรู้ช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าตรัสรู้เร็วสุขาปฏิปทาก็เหมือนกันถ้าอินทรีย์อ่อนตรัสรู้ช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าตรัสรู้เร็วพราะพระอริยะในอดีตที่ท่านบรรลุก็ออกด้วยปฏิปทาสีเหล่านี้แหละพระอริยะในอนาคตท่านก็ออกด้วยปฏิปทาสประการเหล những, ่านี้พระอริยะในปัจจุบันเหล่านี้ ท่านก็ออกด้วยปฏิปทาสี่พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมปฏิบัติจตุกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติหมวดสเพื่อประโยชน์แก่การไม่หมุนเวียนแห่งภาวะตัณหาอันชื่อว่านันทีที่บุคคลผู้ไม่มีปัญญาส่องเศพที่คนผ่านยินดีตัณหาเนี่ยไอ้นันทีเนี่ยตัณหาที่เพลิดเพลินเนี่ยนะคนไม่มีปัญญาชอบเจริญคนพ่านนี่ยินดีใน นตันหาอันนั้นตันหานี่แหละเป็นที่อยู่อาศัยในบุคคลผู้มีความกำหนับคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดสอนเพื่อกําจัดภวะตันหาเ พ, พราะภวะตันหานำไปสู่ภพใหม่นะขึน้นชื่อว่าการเกิดก็นําไปสู่ชาติชรามรณะโสกกาปริเทวทุกขโทมนัตและอุปายาตเช่นว่าถ้าเกิดในนรกเนี่ยความทุกข์ในนรกทั้งมวลก็สืบเนื่องกันไปพันข้อปฏิบัติคือปัญญาเหล่านี้เพื่อกําจัด การเกิดในนรกเป็นต้นสรุปว่าการประกอบด้วยสัจจะสีอันมีที่สาสีนี้ท่านเรียกว่าภูมิแห่งนันทิยาวัตนยัยสัจจะสี่มาจากที่สาสีที่สาสีมีอะไรบ้างตันหันจะอวิชชมปิจะสมะเถจะวิปัสนาเนี่ยนะก็คืออันนเป็นสังกิเลสกับโวทานสังกิเลสคือตันหาและอวิชชาโวทานคือ สมถะและวิปัสนาการประมวลตัณหาอาวิชชาสมถะวิปัสนาลงสู่อริยสัจสี่ประการเรียกว่านันทิยาวัตนยเป็นภูมิแห่งนันทิยาวัตนยตัณหาเนี่ยลองเดินตามดูเท่าไหรเจริญแล้วจะเป็นอะไรตัณหาผู้ที่เป็นตัณหาเจริญพวกนี้ก็ปฏิบัติอยู่ในกาลมาสุขคันลิกานุโยคพวกกาลมาสุขคันลิกานุโยคเหล่านี้ก็อยู่บนพื้นฐานของสัสตถิฐินะพวกนี้อยู่ด้วยสัสตทิฐิ พวกตันหาเหล่านี้ก็เป็นมากไปด้วยตันหาก็เป็นตันหาจริตพวกอวิชาก็เป็นพวก أ, อุอทธิจริตนะพวกอุเชททิฏฐิพวกนี้ก็เป็นสากายทิฏฐิห้าพวกตันหาจริตต้องแก้ด้วยสมถะพวกทิฏฐิจริตต้องแก้ด้วยวิปัสนานะพวกที่เป็นตันหาจริตที่มาปฏิบัติสมถะพวกนี้เป็นทุกขาปฏิปทา พวกทิฏฐิเจริญที่มาปฏิบัติอยู่ในวิปัสนาพวกนี้เป็นสุขาปฏิปทาถ้าอินทรีย์อ่อนก็เป็นผู้ตรัสรูช้ช้าถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็เป็นผู้ตรัสรู้เร็วเนี่ยนะอันนี้การที่ประมวลเอาตัณหาอาวิชชาสมถาวิปัสนาประชุมลงมาโดยอริยสัจสี่เหล่านี้เรียกว่าภูมิแห่งนันทิยาวัตนาเนี่ยนะภูมิแห่งนันทิยาวัตนยก็คงพักก่อน